วันอาทิตย์นี้การบรรยายพระวิสุทธิมัท ก, ก็จะได้เริ่มบรรยายถึงอนุสติในหมวดต่อไปอาทิตย์ก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกายคตาสติให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจจบไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องหลักปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้วันนี้จะได้อธิบายในบท อานาปานสติซึ่งเป็นกรรมฐานที่ต่อจากการเจริญกายคตาสติเรื่องของอาณาปานสตินี้เป็นหลักปฏิบัติที่สาธุชนส่วนใหญ่สนใจกันมากที่สนใจกันมากก็เพราะว่าเป็นกรรมฐานที่ปฏิบัติได้ง่ายทั้งอารมณ์ของกรรมฐานนั้นก็ไม่ต้องไปหายากที่ไหน มีอยู่ในตัวเราทุกๆคนอยู่แล้วเพราะตั้งแต่เกิดจนกว่าเราจะตายเราก็หายใจกันอยู่ตลอดเวลาแต่ลมหายใจที่เข้าออกอยู่ตลอดเวลาชิ้นนี้เราไม่ได้ใชใ้เป็นประโยชน์ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ชีวิตของเรา เรื่องนี้พระพุทธองค์ถึงได้ตรัสเปรียบเทียบไว้ว่าบุคคลที่เกิดมาสักแต่ว่ามีลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ว่าชีวิตของบุคคลนั้นไม่ได้กระทําให้เป็นสาระขึ้นมาแล้วชีวิตของคนเช่นนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นลมหายใจออกลมหายใจเข้าที่เราหายใจกันมาตั้งแต่เกิด ถ้าเราไม่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ชีวิตพระลมหายใจนั้นเป็นเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดำรงอยู่ได้ที่เราไม่ตายก็เพราะเรามีลมหายใจเข้าหายใจออกเช่นนี้อยู่เสมอเป็นปกติถ้าเกิดลมนี้ผิดปกติขึ้นมา เช่นหายใจเข้าแล้วไม่ยอมออกหรือหายใจออกไปแล้วไม่ยอมเข้าไปอีกเป็นอันว่าเราก็ต้องตายเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยจึงแฝงไว้กับลมหายใจอย่างหนึ่งฉะนั้นที่เราจะเจริญกรรมาฐานข้อนี้จึงเป็นหลักปฏิบัติที่สาธุชนส่วนใหญ่นั้นสนใจเพราะว่าการปฏิบัตินั้นก็ง่าย สะดวกสบายทุกอย่าง อ, อยู่ที่ว่าเราทราบวิธีแห่งการปฏิบัติบ้างก็จะเกิดประโยชน์ในด้านของการเจริญกรรมฐานข้อนี้อย่างมากคำว่าอาณาปานสติซึ่งเป็นอนุสติข้อหนึ่งในอนุสติสิบประการที่เราได้ศึกษามาตามลาดับนี้เราควรทำความเข้าใจถึง ความหมายของกรรมฐานข้อนี้เสียก่อนว่าในด้านของความหมายนั้นได้แก่อะไรเพราะว่าอาณาปานสตินี้บางทีเราก็ได้ยินว่าอาสาสะปัสสาสัในรูปสั์ของบาลีคำว่าอาณาปานสตินี้ถ้าแยกตามสับก็เป็นเป็นอาณาสับหนึ่งกับ ปานะสับหนึ่งแล้วก็สติสับหนึ่งคำว่าอาณาสับนี้แปลว่าหายใจเข้าปานะหรืออปาณะเนี่ยแปลว่าหายใจออกสติก็แปลว่าความระลึกได้ฉะนั้นความระลึกได้ในลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอาณาปานสติ ปัญหาที่นักปฏิบัติทั้งหลายได้ถกเถียงกันก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการเริ่มต้นของการกําหนดลมหายใจเนี่ยเราจะกําหนดลมหายใจเข้าก่อนหรือว่าจะกําหนดลมหายใจออกก่อนก็มีปัญหาถกเถียงกันว่าคนเราทุกคนที่เกิดมานี้ ครั้งแรกที่สุดที่เราคลอดออกจากคันของมารดา น, นั้นทารกหายใจเข้าก่อนหรือทารกนั้นหายใจออกก่อนเป็นปัญหาที่เราถกเถียงกันเพราะระหว่างที่อยู่ในคันนั้นทารกไม่ได้หายใจทารกอาศัยแม่เป็นผู้หายใจแทนตัวทารกเองไม่ได้หายใจคนดำน้ำําก็ไม่ใช่เป็นคนหายใจ ฉะนั้นถ้าเราจะทดสอบดูได้ว่าการเกิดครั้งแรกเนี่ยาหายใจเข้าก่อนหรือหายใจออกก่อนเรามีทางพิสูจน์ได้ในปัจจุบันก็คือพิสูจน์ด้วยการดำลงไปในน้าคนดำน้าคือคนที่ไม่ได้หายใจพอโผล่พ้นน้าขึ้นมาแล้วเราก็กำหนดดู ว, ว่าเราเนี่ย หายใจออกก่อนหรือหายใจเข้าก่อนเมื่อโผล่ขึ้นจากพื้นน้มแล้วอันนี้จะเป็นปัญหาที่ตอบและก็ยืนยันได้ว่าทารกที่คลอดออกจากคันนั้นหายใจเข้าก่อนหรือหายใจออกก่อนเป็นทางพิสูจน์ได้ทางหนึ่งแต่ว่านักปราชญ์ในสมัยก่อนชั้นอัตตกถาเนี่ยอย่างในพระวิสุทธิมรรคนี้ท่านก็ได้แสดงเอาไว้ชัดเจนว่า สทั้งหลายที่อยู่ในคันนั้นเมื่อคลอดออกจากคันแล้วหายใจออกก่อนแล้วจึงหายใจเข้าข้อนี้ถ้าหากว่าเราจะพิสูจน์กันตอนดำน้ำก็คงจะพิสูจน์กันได้ว่าเมื่อโผล่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยเราหายใจออกก่อนหรือหายใจเข้าก่อนระหว่างที่อยู่ใต้น้ำนั้นเราไม่ได้หายใจ ถ้าหากว่าเราพิสูจน์ได้อย่างนี้แล้วท่านก็ถือให้เอาหลักปฏิบัติครั้งแรกที่สุดที่เราหายใจถ้าเราหายใจก่อนหายใจออกก่อนก็ให้กำหนดลมหายใจออกก่อนแล้วจึงกำหนดลมหายใจเข้าทีหลังเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติโดยอาศัยการหายใจครั้งแรกที่สุดในชีวิตของเราที่เกิดมาในโลกนี้หลักการปฏิบัติในอนาปานสติกรรมฐานนี่ เป็นปัญหาที่นักปราชญ์ในสมัยก่อนท่านถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องการหายใจแต่ปัญหาเช่นนี้ก็เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่ใช่เป็นปัญหาที่สาคัญในด้านของการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติใน พ, พุทธศาสนา น, นั้นเราไม่ได้ติดอยู่ในพิธีรีตองพระพุทธศาสนาไม่ได้ติดอยู่เพียงแค่พิธีรีตองแต่ว่าเราต้องการถึงจุดมุ่งหมายในด้านของการปฏิบัติ หรือความสําเร็จทางการปฏิบัติว่าการปฏิบัติเนี่ยเราจะไปสู่จุดหมายอย่างไรและก็จะบรรลุถึงซึ่งความสําเร็จอย่างไรหรือไม่นี่เป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาพิธีนั้นก็จะต้องเป็นพิธีที่เกือ้อกูลต่อการปฏิบัติถ้าพิธีการอันใดไม่ได้เกือ้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมแล้วพิธีการอันนั้นพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตรัสยกย่อง ถึงเราจะมีพิธีรีตองกันสักแค่ไหนถ้าไม่เป็นประโยชน์ทางด้านของการปฏิบัติหรือการเจริญสมาธิจิตแล้วพิธีเช่นนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าพิธีอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติพิธีเช่นนั้นเราก็ควรที่จะกระทำเพราะอย่างน้อยที่สุดพิธีนั้นก็เป็นการเตรียมตัวที่เราจะเข้าสู่หลักการปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา าการเจริญอาณาปานสติซึ่งเป็นหลักปฏิบัติในอนุสติข้อเนี้ประการต้นที่สุดนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสถานที่ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสาคัญในด้านของการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัตินี้ถ้าหากว่า เราได้สถานที่ไม่เหมาะหรือปฏิบัติผิดสถานที่แล้วการกที่ใดที่หนึ่งจะต้องออจ้างบุคคลซึ่งมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งคือการสำรวจพื้นที่เรียกว่าหมอดูพื้นที่ในการที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองบุคคลเหล่านี้จะทำหน้าที่ดูพื้นที่เสียก่อนออการดูพื้นที่ในสมัยก่อนนั้น่ะ ไม่ใช่ดูพื้นที่แบบหมอนั่งหมอนั่งทางในในปัจจุบันนี้นั่งดูกันคือไม่ใช่หลับตาดูต้องลืมตาดูสมัยนีย้เราจะให้ใครดูพื้นที่ที่ใดที่หนึ่งควรจะปลูกบ้านควรจะปลูกโรงงานหรือปลูกสำนักงานอย่างใบอย่างหนึ่งเระมักจะไปเชิญพวกนั่งทางในหลับตาดูซึ่งการหลับตาดูนี่มันจะสู้ลืมตาดูได้อย่างไร ลืมตาดูนั้นเห็นชัดดีกว่าหลับตาเพราะการจะดูพื้นที่สร้างบ้านสร้างเมืองนั้นจะต้องดูกว้างขวางจะต้องดูหลายๆลอย่างว่าสถานที่นี้เหมาะสมในการที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองหรือไม่ถ้าหากว่าผู้ใดซึ่งมีหน้าที่ดูพื้นที่เพื่อสร้างบ้านสร้างเมืองถูกต้องดีแล้วทางกษัตริย์หรือราชสกุลในสมัยก่อนจะสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้น และเมื่อสร้างบ้านสร้างเมืองตามที่หมอดูพื้นที่นี้แนะนำแล้วบ้านเมืองนั้นเจริญอยู่อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนผู้ที่มีหน้าที่ดูพื้นที่นี้ก็ได้รับรางวัลได้รับประธานรางวัลหรือความดีความชอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหน้าที่ที่สําคัญสาคัญในบ้านเมืองนั้นหรือประจาราชสกุลนั้นๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องว่าเหมือนกับหมอดูพื้นที่ตามที่พระตักถาท่านได้ที่บายไว้ว่าการเจริญกรรมฐานเนี่ยก็จะต้องสารวจ ด, ดูพื้นที่เสียก่อนเพราะการที่จะสร้างคุณธรรมขึ้นภายในจิตก็เหมือนกับการที่เราจะสร้างบ้านสร้างเมืองเหมือนกันถ้าพื้นที่ไม่ดีแล้วก็จะทําให้การปฏิบัตินั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควร พื้นที่ที่เราจะสร้างนั้นดีการสร้างก็จะเกิดผลแล้วก็สาเร็จได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะสร้างคุณธรรมคือสมาธิหรือปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตนี้ก็ไม่ยากเพราะว่าเราได้สารวจดูพื้นที่ที่เราจะปฏิบัติเรียบร้อยแล้วการดูพื้นที่นี้ก็คือการเตรียมตัวแล้วก็หาสถานที่ที่เป็นสปายะ ในการที่จะปฏิบัติธรรมจริงอยู่หลายท่านอาจจะมีความคิดเห็นว่าการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยความจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับสถานที่หรือพื้นที่อย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับสถานที่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ก็ไม่ผิดถูกการปฏิบัติธรรมนั้นไม่จำเป็นต้องเลือกสถานที่ หรือไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ในห้องหับของกรรมฐานหรือไปสู่ป่าสู่เขาหรือไปอยู่ถ้ำแต่ว่าบุคคลที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่นี้ก็หมายถึงบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่เจริญกรรมฐานมาอย่างดีแล้วหรือเป็นผู้ฝึกฝนตนอย่างดีแล้วแม้จะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็สามารถปฏิบัติได้เช่นท่ามกลาง ประชาชนเป็นจำนวนมากๆอย่างเงี้ยเช่นท่านทั้งหลายนั่งอยู่ในที่นี้รวมกันมากๆถ้าถามว่าในสถานที่นี้เหมาะแก่การเจริญสมาธิจิตหรือไม่หรือเหมาะแก่การเจริญกรรมฐานด้วยการกำหนดอนุสติข้อนี้หรือไม่สถานที่เช่นนี้ก็ปฏิบัติได้ถ้าหากว่าผู้นั้นฝึกฝนตนมาดีแล้วแต่ถ้าอยู่ในระยะของการเริ่มต้น สถานที่นี้ก็จะไม่บังเกิดผลแก่ท่านที่เริ่มต้นแต่ท่านที่ฝึกฝนมาดีแล้วแม้แต่จะนั่งอยู่ท่ามกลางเสียงอุทึกคึกโครมต่างๆท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆผู้ที่ฝึกฝนจิตมาดีแล้วก็ไม่วุ่นวายไปตามสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมนั้นก็ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกับความวุ่นวายนั้นย่อมไม่สามารถที่จะทาจิตของมุนีให้วันไหวได้ เพราะมุนีนั้นเป็นผู้ฝึ ก, กจิตมาดีแล้วจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายสักเท่าไรจิตของมุนีนั้นก็ไม่หวั่นไหวดังที่พระพุทธองค์เคยเปฏิบัติมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนเสด็จดับขันธปริ น, นิพานถ้าเสด็จเดินจงกรมอยู่กลางแจ้งใกล้ๆกับที่พระพุทธองค์เสด็จเดินจงกรมอยู่นั้น่ะมีชาวนากาลังไถนาอยู่มีควายตัวหนึ่งกําลังไถนาอยู่ บีตอนนั้นใกล้ฝนตกฟ้าก็ผ่าเปรียงลงมาถูกชาวนากับควายตาย ท, าทันทีใกล้ๆ ก, กับที่พระพุทธองค์เสด็จจงกรมอยู่ประชาชนที่อยู่ไกลแสนไกลต่างก็ตกใจในเสียงฟ้าผ่าวิ่งปรูกันมาดูชาวนาที่ถูกฟ้าผ่าตายแต่ใกล้ๆ ก, ก, กับความวุ่นวายเช่นนั้นนะ่ะพระพุทธองค์เสด็จเดินจงกรมด้วยความสงบนิง่ง ไม่ได้ตกระทยกับเสียงป้าร้องหรือป้าผ่าประชาชนหนั้นแปลกใจว่าสมณารูปนี้ท่านอยู่ด้วยธรรมะอะไรนะจึงสงบดีเหลือเกินเสียงป้าผ่าก็ไม่ได้ยินทั้งยังไม่ตกใจเกี่ยวกับเสียงป้า ร, อร้องด้วยซ้าพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าพระพุทธองค์นั้นอยู่ด้วยสุญญาตาวิโมกข์อยู่ด้วยสมาธิจิตชั้นสูงเพราะฉะนั้นจึงไม่หวั่นไหวกับเสียง หรือความวุ่นวายต่างๆเช่นนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราฝึกจิตมาดีแล้วแม้เราจะไปสู่สังคมใดที่วุ่นวายสักเพียงใดหรืออยู่ในที่ประชุมซึ่งมีแต่ความสับสนวุ่นวายในด้านของความคิดเห็นและสิ่งแวดล้อมต่างๆเราก็ทำความสงบท่ามกลางความวุ่นวายเช่นนั้นได้ทั้งๆที่ตาเราก็ลืมอยู่นั่งอยู่ในที่ประชุมแต่ว่าจิตของเราเนี่ยสงบ ไม่ได้วันไหวกับเสียงสนทนาปาัสหรือความวุ่นวายชุลมุนรอบๆตัวเราเราไม่ได้สนใจเราก็หาความสงบได้ซึ่งอันนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางจิตแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ไม่ได้ทำความสงบให้แก่จิตไม่ได้แม้เราจะไปอยู่สถานที่คือป่าเขาหรือถ้าเมื่อจิตวุ่นวายแล้วสถานที่อันเงียบสงัดเช่นนั้น ก็รู้สึกโอราหวนไปหมดเพราะอะไรเพราะจิตของเราไม่สงบแม้เราจะนําตัวเราเองไปสู่สถานที่ที่สงบแต่จิตไม่สงบเสร็จแล้วก็เหมือนกับสถานที่นั้นไม่ใช่เป็นสถานที่ที่สงบก็ไม่เป็นสปายะแก่บุคคลผู้ที่จะไปปฏิบัติธรรมฉะนันสปายะหรือไม่สปายะเนี่ยท่านจึง กำหนดลงว่าอยู่ตรงที่แต่ละบุคคลนั้นจะใช้สติในการกำหนดอารมณ์กรรมฐานได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะสังรวมจิตของตอนเองเนี่ยให้มีสมาธิจิตอันมั่นคงได้แค่ไหนอยู่ที่การควบคุมจิตเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่นี้เราก็ต้องจำแนกออกไปว่าสำหรับบุคคลผู้ที่ยังใหม่ต่อการปฏิบัติหรือการฝึกฝนจิตนั้น สถานที่มีความจำเป็นเลอะเกินแต่สำหรับบุคคลผู้ที่ฝึกฝนจิตมาดีแล้วเรื่องสถานที่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นก่อนที่พระสงฆ์จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่สมัยที่ยังเป็นนวากะอยู่พระอุปชายญะญาจะบอกถึงปัจจัยอันเป็นที่อาศัยของพระภิกษุในพระพุทธศาสนานว่าพระภิกษุเนี่ย มีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นเครื่องอาศัยในการที่จะมีอัตภาพหรือมีชีวิตเนี่ยดำรงอยู่เพื่อการปฏิบัติธรรมท่านก็บอกทีเดียว่าต้องบินทบาท์เขาบอกบินทบา์เนี่ยก็คือการแสวงหาอาหารมาว่าอาหารเนี่ยเราจะได้มาอย่างไรไม่ใช่ประบุญเข้ามาแล้วก็จะมีคนตั้งโรงครัวถวายท่านก็บอกว่าต้องบินทบศ์ บินทบาตนั่นนะคือการที่จะได้มาซึ่งอาหารบริโภคเพื่อประทังชีวิตของตนเองให้ดำรงอยู่ประการที่สองให้หนุ่มนุ่งห่มผ้าบางสุกลคือจีวรที่จะห่มเนี่ยจะได้มาอย่างไรต้องบอกต้องเป็นผ้าบางสุกลผ้าบางสุกลนั้นก็คือผ้าที่ทิ้งไว้ในป่าบ้างผ้าที่ทิ้งไว้ในหยาิเยื่อบ้างผ้าที่ชาวบ้านเขาไม่ปราถนาจะใช้แล้วผ้าที่เป็นอัปมงคลของชาวบ้านแล้ว พระก็ต้องไปเก็บอผ้าเหล่านั้นนะ่ะมาเย็บมาซักมาย้อมทำเป็นจีวรผมแต่กัประการที่สามที่อยู่ท่านก็ชี้ไปเลยว่าต้องไปอยู่โคนต้นไม้ต้องอยู่โคนต้นไม้ที่อยู่ของพระนะ่ะคือโคนต้นไม้ประการที่สี่ยารักษาโรคท่านก็บอกว่าฉันยาดองด้วยน้ำ ม, มูดเนา่าสมัยก่อนจะบอกปัจจัยสี่อย่างนี้แม้แต่มาถึงสมัยปัจจุบันเนี่ย ผู้ที่เข้าบวชในพระพุทธศาสนาอุปชัยยะก็จะบอกถึงปัจจัยอันเป็นเครื่องอาศัยของพระภิกษุในสี่อย่างนี้เหมือนกันทั้งๆที่ปัจจุบันนี้บางทีเราก็ไม่ได้บินธบาติปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้หนุ่งห่มผม้าบางสกุลเพราะว่าผ้าพรเยอะแย ะ, ยะสมัยปัจจุบันนี้อยากจะเปลี่ยนจีวรก็ไปแถวสาวชิงช้ามีเยอะแย ะ, ยะเราไม่ได้อยู่โคนต้นไม้เรามีคูดีอยู่ เราไม่ได้ฉันอย่าดองเลยนะมูดเน่าเพราะว่าเพสัชมีเจริญมากมายในปัจจุบันเนี่ยความสะดวกในเรื่องปัจจัยสี่ของพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้จึงมีมากกว่าในสมัยพุทธกาลแต่ว่าความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องสถานที่นั้นพระพุทธองค์ก็ยังตรัสสอนอยู่จะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ยังตรัสว่าอา น, นิสงส์ของการอยู่เพื่อเจริญสมณธรรมนั้น ควรจะไปสู่ต้นไม้รอมปางเรือนร้างหรือป่าถ้าซึ่งเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเจริญสมนธรรมที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าสถานที่เหล่านี้ไม่วุ่นวายด้วยวิสภาคารมณ์ไม่มีอารมณ์อันใดที่จะมาก่อกวนจิตใจเนี่ยให้เกิดความวุ่นวายใกล้แฝงขึ้นเป็นสปายะในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ผู้ที่ยังฝึกฝนจิตไม่ดีนั้นก็ควรจะต้องไปสู่สถานที่เช่นนี้เสียก่อนเมื่อจิตนี้เป็นสมาธิมั่นคงดีเราจึงมาสู่สถานที่ที่วุ่นวายก็ผู้ที่ฝึกฝนจิตดีแล้วเนี่ยถึงอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเขาก็ไม่วุ่นวายแต่เบื้องต้นจะต้องไปสู่สถานที่เช่นนั้นก่อนอในอัตถาวิสุทธิมรรคท่านได้อธิบายไว้ว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะฝึกรูปวัวที่พยศพึงจับลูกวัวนั้นผูกไว้ที่เสาฉันใดบุคคลที่อยู่ภายในขอบเขตแห่งคาสอนของพระพุทธศาสนามีความประสงค์จะฝึกฝนและอบรมจิตของตนก็พึงผูกจิตของตนไว้กับอารมณ์ของกรรมฐานฉันนั้นเหมือนกับเราจะฝึก ลูกวัวที่มันเปรียวที่พยศอยู่เราก็ต้องเอาวัวเนี่ยไปผูกไว้กับหลักจนกว่าวัวนั้นจะเชื่องการที่เราจะฝึกผลจิตของเราที่กระโดดโลดเต้นกันไปหรือว่าคุ้งซ่านอยู่ไม่สิ้นสุดนี้ให้สงบได้เราก็ต้องมีอารมณ์ของกรรมฐานเป็นเครื่องผูกโดยมีสติเนี่ยเป็นเชือกร่างจิตเนี่ยไว้กับอารมณ์ของกรรมฐานจิตนี้ก็ไม่วุ่นวาย เนี่ยเป็นวิธีที่เราจะฝึ ก, กจิตของเราทีนี้อารมณ์ของกรรมาฐานนั้นก็มีอยู่มากมายถึงสี่สิบประเภทเถ้าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นก็มีอยู่หลายประเภทแต่เมื่อรวมแล้วก็ต้องกำหนดนามรูปทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นอารมณ์แต่วิธีปฏิบัติกำหนดนามรูปนั้นก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันอารมณ์เช่นนี้เป็น เป็นเสาที่จะผูกจิตของเราที่วุ่นวายไม่ให้วุ่นวายได้เพราะฉะนั้นการเจริญอาณาปานสตินี้เราจะต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยจากปฏิบัติตนอย่างไรบ้างจึงจะบังเกิดผลในด้านของการปฏิบัติข้อนี้ในอาณาปานสติในพระบาลีท่านได้แสดงเอาไว้หลายไตรยด้วยกันโดยเฉพาะใน ปฏิสัมพิธามมร์ท่านก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในพระสุตตานตปิฎกนั้นได้ตัดถึงเรื่องอานาปานสติเนี่ยว้หลายหมวดแล้วก็โดยเฉพาะในคำภี์พระวิสุทธิมรคนี้ท่านก็อ้างอิงในปฏิสัมพิธามมร์หรืออ้างพระสูตรบางพระสูตรที่มีอยู่ในพระสุตตานตปิฎกว่าหลักการปฏิบัติอานาปานสตินั้นน่ะเราจะเริ่มต้นกันอย่างไร ประการที่หนึ่งที่สุดในพระบาลีท่านแสดงว่าโสสโตวะอัสติสโตวะปัตสสะสติซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัตินั่งคู่บัลลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอารมณ์ของกรรมฐานณสถานที่อันเงียบสงัดนั้นและย่อมตั้งสติ ทำความรู้สึกตัวแล้วจึงหายใจเข้าและหายใจออกหรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าก็คือเราจะต้องไปสู่สถานที่แล้วก็นั่งคูบันลังคําบ่านั่งคูบันลังเนี่ยนั่งอย่างไรเรียกว่านั่งคูบันลัง เขามานั่งคู่บันลังไม่ใช่นั่งขัดสมาธิดังที่เราได้นั่งกันอยู่แต่เป็นการนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นก็คือเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายเขามาตั้งกายให้ตรงก็หมายถึงว่าเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะดนั่งตัวตรงตลอดเวลาจะนั่งหลังโกงไม่ได้จะนั่งหงายหลังไม่ได้นั่งเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้ทั้งนั้นจะต้องตั้งกายให้ตรง การที่ให้นั่งตั้งกายให้ตรงเนี่ยหรือการที่สอนให้นั่งคู่บัลลังก์นี้เป็นวิธีนั่งที่ถูกต้องที่สุดว่าการนั่งที่ถูกต้องเนี่ยนั่งอย่างไรจึงจะนั่งได้ถูกต้องเนี่ยปัญหาเช่นนี้เราอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกับการนอนถ้าถามว่านอนอย่างไรจึงจะนอนที่ถูกต้องที่สุดในการนอนและการนอนนั้นจะเกิดประโยชน์ทางด้านสุขภาพ ทั้งทางกายและก็ทางจิตนอนท่าไหนถึงจะถูกต้องการนั่งนี้ก็เหมือนกันว่าการนั่งท่าไหนจึงจะเป็นท่าที่สบายแล้วก็ถูกต้องที่สุดท่านก็สอนเราต้องนั่งคูบัลลังการนั่งคู่บรลลังเนี่ยก็ทำให้เลือดลมเดินสะดวกทำให้เราไม่ปวดเมื่อยหรือว่าเป็นเน็บชาเพราะว่าอวัยวะที่วางซ้อนกันเนี่ยมันก็ไม่ไปทับกันจนเกินไปนัก น้ำหนักที่มาลงอยู่ในการนั่งนี่ก็สม่ำเสมอกันคือไม่ไปหนักที่ใดที่หนึ่งส่วนการนั่งให้ตรงนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องการที่เรานั่งกรรมฐานแล้วส่วนมากมักจะเกิดทุกขเวทนาทางกายเช่นบางทีปวดหลังปวดเอวอะไรทํานองเนี้ว่าเมื่อยขบไปหมดเวลานั่งกรรมฐานอันนั้นนะเรานั่งไม่ถูกก็เมื่อยขบแต่ผู้ที่นั่งถูกต้องแล้วจะไม่รู้สึกเมื่อย รู้สึกว่านั่งกรรมฐานจะสบายกว่านั่งเล่นไพ่ด้วยซ้ำเพราะการนั่งเล่นไพ่เนี่ยังเมื่อยกว่านั่งกรรมฐานเพราะบางคนนี่ทราบว่านั่งเล่นไพ่จนเป็นอมพาสก็มีบางทีมือถือไพ่จนไพ่หล่นจากมือไม่รู้สึกนะจึงจะเลิกเล่นไพ่เพราะว่านั่งผิดท่าถ้านั่งกรรมฐานแล้วสบายกว่านั่งเล่นไพ่อย่างเรานั่งนั่งคู่บาลังตั้งตัวให้ตรงเนี่ย ก็ช่วยทำให้กระดูกสันหลังไม่ไม่คลาดเคลื่อนเพราะว่าเมื่อนั่งตรงและกระดูกสันหลังจะซ่อนตรงต ล, งตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยไม่ปวดเมื่อยแล้วก็เลือดลมก็เดินสะดวกทำให้ระบบการหายใจเนี่ยไม่ติดขัดเพราะถ้าหากว่าเรานั่งหลังโกงกด็ดีหรือว่านั่งหงายหลังกด็ดีการหายใจก็ไม่สะดวกปอดทำงานไม่เต็มที่ แต่ถ้ า, าว่าเรานั่งตัวตรงๆดีแล้วเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยไอระบบการทํางานของร่างกายมันก็ทําไปอย่างเป็นปกติสุขภาพก็ดีเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าให้นั่งคู่บลังแล้วก็นั่งกายให้ตรงคําว่าดํำรงสติไว้เฉพาะหน้าเนี่ยอย่างไรที่เรียกว่าดํารงสติไว้เฉพาะหน้าคําว่าเฉพาะหน้าในที่นี้ก็คือหมายถึงเฉพาะอารมณ์กรรมาฐานเท่านั้นเพราะว่า ผู้ที่ปฏิบัตินั้นมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งคือกำลังกำหนดกำหนดานอารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์เฉพาะหน้าที่เราจะต้องกำหนดเป็นเบื้องต้นเหมือนกับเราพูดกันติดปากว่าแม้เนี่ยเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นงานเฉพาะหน้าซึ่งปัญหาเฉพาะหน้าเนี่จะต้องแก้ก่อนงานเฉพาะหน้าจะต้องกระทําก่อนสิ่งใดประกามถาม่าควาเป็นของเฉพาะหน้าแล้วเราก็ถือว่าเป็นของที่จะต้องก่อนทั้งนั้น เพราะนั้นแม้แต่การปฏิบัติกรรมฐานนี้ก็เหมือนกันที่ท่านสอนว่าพึงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าก็หมายถึงว่าอารมณ์กรรมฐานเฉพาะหน้าเนี่ยเราจะต้องกําหนดก่อนส่วนเรื่องราวอย่างอื่นเนี่ยเราทิ้งไว้ที่หลังเราจะไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เราจะต้องกําหนดอารมณ์กรรมฐานก่อนเป็นเบื้องตน้นการวางสติไว้เฉพาะหน้าในที่นี้ก็คือเราจะต้องกําหนดอารมณ์กรรมฐานที่เรากําลังกําหนดอยู่เนี่ยเฉพาะหน้าก็คือ <c oughs> ต้องกำหนดลมหายใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่างอื่นเมื่อดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอย่างนี้แล้วพึงทำความรู้สึกตัวเพราะว่าการเจริญกรรมฐานเนี่ยเมื่อมีสติแล้วต้องมีสัมปชัญญะด้วยสัมปชัญญะนั่นคือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าในขณะนี้เรากำลังทำอะไรเรากำลังหายใจใช่ไหม และเรากำลังกำหนดลมหายใจเข้าออกใช่หรือไม่เราจะต้องรู้สึกตัวอย่างนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นการวางหลักการปฏิบัติในกรรมฐานคืออานาปานสติกกรรมฐานเนี่ยเป็นข้อเป็นข้อแรกที่พระพุทธองค์ได้วางวิธีปฏิบัติไว้ส่วนวิธีที่สองในบาลีท่านใช้คำว่า ทีฆังวาอัสสันโตทีฆังอัสสามีติประชานาติทีฆังวาปัสสสันโตทีฆังปะสะัส